วันนี้ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีมีจดหมายงานพระราชทานเพลิงศพขององค์หลวงตามีจดหมายท่านผู้วารัชการจังหวัดมาถึงเจ้าอาวาสหลวงพ่อสุดใจเดี๋ยวหลงพ่อจะอ่านให้คณะสัทธา ญ, ญาติโยมทั้งอยู่ทั้งใกล้ทั้งไกลอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์อยากจะทราบว่าเออหลวงตาของเรานี่จะพระราชทานเพลิงศพวันไหนเนาะ จะได้รับพระราชทานเพลิงศพวันไหนในวันนี้หลวงพ่อจะอ่านให้คณะทายาิโยมได้รับทราบรอบหนึ่งต่อไปก็คงจะมีการชี้แจงแถลงข่าวคณะสงฆ์ต่อสื่อต่างๆอีกครั้งหนึ่งแต่อันนี้หลวงพ่ออ่านให้ฟังเพื่อได้รับทราบบางคนอาจจะไม่ได้ได้รับทราบออกทางหลายสื่อจึงจะทั่วถึงอันนี้ออกอีกสื่อหนึ่งที่หลวงพ่อจะได้อ่านฟังหนะ้า ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีถนอนอธิบดีอร4 .10009 00กุมภาพันธ์ 9, 000. 9. 000. ของเมื่อวานนี้วันนี้วันที่10 9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554เรื่องการขอรับพระราชทานเพลิงและขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญเสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงถวายแก่ชรีละสังขารพระธรรมวิสุธิมงคลวงเล็บหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนนักการจเจ้าอาวาสวัดเกศรศิลปคุณวัดป่าบ้านตาดด้วยจังหวัดอุรรธานีในานามของคณะสงฆ์ข้าราชการอุบาสกอุบาสิกาพ่อค้าประชาชนและคณะศิษยานุศิษย์ที่พร้อมกันแสดงมุทิตาจิต คาระวะพิจารณาร่วมกันแล้วได้ขอพระราชทานเพลิงถวายแก่สรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคลวงเล็บหลวงตามหาบัวยนัสสัมปันโนและขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงถวายแก่สรีระสังขาร พระธรรมวิสุทิโมคลวงเล็บหลวงตามหาบัวญณสัมปนโนในวันที่หมีนาคมเอ่อวันที่หนะคานิสัตถายาดยมลูกหลานนะวันที่หมีนาคมพุทธศักราช2554หรหน้าวัดเกศศรีรุณลคือวัดป่าบ้านตาดัดวงเล็บบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี บัดนี้สำนักงานเลขาธิการแจ้งว่าได้นำความกราบบังคมทูกลกราบฝาละองธุรีพระบาทแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับเชิญเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงถวายแก่สรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยณสัมปันโนในวันเสาร์ที่ห้ามีนาคม พุทธศักราช 2,554 ณวัดเกศรศิลคุณวงเล็บวัดป่าบ้านตาดบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจึงนัมัตรการมาเพื่อโปรดทราบขอนมัตรการมาด้วยความเคารพนายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็เป็นอันว่างานพระราชทาน วงหลวงตาวันที่5แนนอนไม่เป็นอย่างอื่นขอให้คณะทาย า, า, ญญาิโยมทุกท่านที่อยู่ทางไกลก็ให้เตรียมพร้อมผู้ที่จะมาแล้วก็ทุกอย่างทางคณะกรรมการจัดงานก็ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับคนเป็นล้านนะรองข่าวนี้รองรับคนเป็นล้านแต่ก็จะให้ไม่ให้ขาดตัว บ, บุกองนั้นคงเป็นไปไม่ได้ก็คงจะมี แต่ถึ้งยังไงพี่น้องสาญญาัทยาธิษฐาโยมทุกหมู่เหลา่ามาด้วยความเคารพรักในองค์หลวงตาเป็นครั้งสุดท้ายถึงจะยากลําบากก็ต้องทนแต่คณะกรรมการจะอำนวยความสะดวกที่สุดแต่จะให้อำนวยความสะดวกทุกท่านทุกคนนั้นก็คงจะยากลําบากคนเป็นล้านอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะฉะนั้นขอให้คณะสัทธาธิญญติโยมทุกหมู่ทุกเหลา่าที่เขามากราบคารวะณวันที่5มีนาคมวันนั้นเป็นวันพระราชทานเพลิงศพ องหลงตาของพวกเราก็คงจะมืดฟ้าโมดินละวันนั้นอย่างที่หลวงตาท่านเคยพูดปารบว่าอถ้าเราจากไปนี่คนคงจะมามากนะอันนี้หลวงพ่อได้ฟังท่านเปยๆให้ฟังแต่ขนาดยังไม่ถึงวันนั้นก็พี่น้องประชาชนไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะมากถึงขนาดนี้นมากเพราะอะไรก็อย่างที่หลวงพ่อได้กลา่าวบอกหลวงตาเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีเมตตา อย่างที่ว่านะมีคุณธรรมในจิตใจอีกเพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะได้บุญได้กุศลจากองค์ท่านมาเทิดทูนบูชาในองค์ท่านนะเมื่อคื น, นี้หลวงพ่อเป็นผู้กล่าวกล่าวสัมโมทนิยกถาหลวงพ่อพูดปิดไปนะแต่ตามให้จริงต้องอกล่าวสังเวชนิยกาคาถาใกล้ยๆบอกกล่าวความสลดสังเวชพวกเราที่เป็นจิตญาณสิกล่าด้วยความสลดใจที่องค์หลวงตาได้จากไปจากพวกเรา กะว่ัก่าวสังเวยเียนนิยกรรมาแต่หลวงพ่อพูดว่ากาวกาวสัมโมทนิยกรานแค่กะวักพวกเรามาพบกันมาเจอกันแล้วก็กาวนะกาวสัมโมทนิยกถาเพราะฉะนั้นสมองหลวงพ่อเนี่ยบางทีมันเออเลอร์นะมันจะแห้งเอาง่ายๆว่าไงนต่น دة, เออมันจะแห้งด้วยมันจะมันเออเลอร์ด้วยงเพราะฉะนั้นอขออภัยกาวผิดกาวถูกพูดผิดพูดถูก พ, พ, พ, พ, พ, นะพวกเราพูดได้ฟังก็ให้เอาไปเอาเนื้อหาสาระก็แล้วกันนะ อย่าไปเอาตัวหนังสือกันเถอะเอาเนื้อหาสาระกัแล้วกัน